พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มกราคม2557ร้านอาหารจิตโภชนากรุงเทพมหานครมีชื่อเรื่องว่าชิบหายทั้งสองฝ่าย ประพรมน้มําพระพุทธมนต์พรปีใหม่หนะ้าล้างความหายยะนะถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งคืาว่าล้างความสวย <c oughs> เมื่อปีที่แล้วล้างมันสิ่งที่มันไม่ดีออกนะรับแต่สิ่งที่ดีประพรมน้ําพระพุทธมนต์เป็นชลิปนเป็นมงคลเพราะน้ำพระพุทธมนต์เป็นชัยยามงคลคาถา ชัยมงคลเป็นมงคลที่เป็นชัยชนะสึ่งความชั่วออกจากกายวาจาใจของพวกเรานะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคณะสัทธ า, ญญาติโยมลูกหลานของหลวงพ่อทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรม แล้วก็ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกอย่างนะแต่ถ้าว่าปราถนาไม่ในสิ่งที่ไม่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมไปค้ายาเสพติดของผิดกฎหมายอย่างนี้หรือไปทำผิดศีลธรรมอย่างนี้หลวงพ่อประพรมน้ําพุทธมนต์ให้ไม่ให้สำเร็จนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้สําเร็จสมความมโมาะปราถนาของทุกทุกท่านที่หลวงพ่อประพรมน้ําพุทธมนต์ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานคณะสัตยาติโยม ท, ทุกทุกท่านอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่าตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยหลวงพ่อโอ้โหปีนี้นะ มาอยู่ที่วัดป่าพิเภ ว, วัฒนาามวัดหลวงปู่จามเดือนกว่านะพี่น้องลูกหลานขนาศา้ศราชการายาโยมนะทำงานอย่างโอ้โหไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรว่างั้นเถอะอออไม่รู้ ว, ว่าพระไม่รู้ว่าศรัทธาญาติโยมไม่รู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นผู้บัญชาการก็ใช่เป็นลูกน้องก็ใช่เป็นอะไรทักมุดทุกอย่างว่างั้นเถอะอยู่ในนั้นน่ะ ผลงานออกมาก็เป็นที่พอใจโรงทานทั้งหมดประมาณพันหนึ่งกว่าโรงนะโรงทานนะพระสงฆ์ที่จดทะเบียนเป็น8่ยแันกว่ า, าที่วันที่มันที่หเนี่ยจดไม่ทันนะเพราะหลังเข้ามาเนะี่ยอันนั้นแต่ดูๆแล้วเขาบอกว่าพระในวันนั้นนะประมาณหมื่นกว่าองค์งานหลวงปู่จามาแล้วก็ คนนี่ประมาณการกันประมาณแสนกว่าป่ะนะแต่เปรียบเทียบกับหลวงตาแล้วก็ยังน้อยกว่าหลวงตาเยอะนะยังน้อยกว่าหลวงตาเยอะแต่ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเรียบร้อยราบรื่นดีเรียบร้อยราบรื่น ด, นดีทุกอย่างงานของหลวงปู่จามแต่แปลกแปลกก็คือทางทางภาคเหนือเขาทํานกขัดติริงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะ เออดกหัดจรีลิงมาอย่างไงคือหลวงปู่จามเนี่ยพอท่านบวชมาเมื่อท่านสมัยก่อนท่านเป็นเนนของหลวงปู่มั่นนะปู่จามเลยนะเป็นเนนของหลวงปู่มั่นบวชเมื่ออายุสิบี่ปีเป็นหมูเพื่อนกับหลวงปู่ชิมปู่ชิมพุทธไทยจารโรธรำพะปองนะเป็นมูเพื่อนกันเป็นผููไทยด้วยกันนะแต่ปู่ชิมนี่เป็นเนนใหญ่ปู่จามเนะี่เป็นเนนน้องเหมือนกันนะสิบแปดกับสิบสี่ปีนะ เออท่านี้ก็ท่านพอบวชเข้ามาแล้วสมัยนะั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคเน็บชาเน็บชาเนี่ยคือเป็นโรคร้อยหมดกำลังคล้ายๆว่าขาดขาดขาดวิตามิน ว, วิตามิน B 1หนึ่งนะถาวาทุกวันนี้นะลว่าแข็งขาเนี่ยหมดกำลังแต่นั้นพอจะนั่นก็เลยสึกลาสึกขาเมื่ออายุ 18-19 ปดปีพอลาสึกขาออกมาแล้วก็พ่อพ่อกับแม่เนี่ยบวชป่ะเนยโยมปู่ก็โยมย่าของหลวงพ่อนดดี่บวชย โยมย่าเนี่ยบวชเป็นแม่ชีแต่อายุสามกว่าแล้วก็ยมปู่เนี่ยเขบวชได้6ปีนโยมปู่ก็ได้จากไปมรณภาพนะแต่หลวงปู่จามเนี่ยก็เลยเป็นผู้ดูแลพวกน้องๆพ่อโยมพ่อโคอลงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายใหญ่ก็ออกครอบครัวไปอีกไปตั้งครอบครัวอีกแล้วหลวงปู่จามเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลพวกน้องๆทั้งเจดแปคนแต่นี้ก็ ลงุงปู่จามก็อายุยี่สิปีเป็นนมใหญ่ลเลยท่านเลยจะแต่งงานเขาบปล่อยบอกแม่เป็นแม่ชี้คุณแม่ครับผมคนจะได้แต่งงานมีครอบครัวกับเขาบ้างอะทางแม่ก็เลยบอกว่าเออลูกเออถ้าแต่งงานนแม่ก็เห็นด้วยยหรอกยินดีด้วยแต่ถ้าหาว่าลูกบวชนะแม่จะยินดีมากกว่าออถ้าลูกบวชแม่จะ แหมยินดีดีใจมากกว่าเฮ้อเอาอย่างนั้นหรือคุณแม่ใช่เอถ้าอย่างนั้นผมจะบวชให้เพรางั้นจะแต่งงานแล้วนะเอาเขาจะไม่ปรับไหมใส่โทษแล้วเอาปรับไหม้กัดให้เขาปรับแล้วสมัยนั้นค่าศีลสอดนี่สิบสองบาทใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยปรับเอาหกบาทท่านนั่นลงปู่จางก็เลยบวชเลยบวชเมื่ออายุยี่บเก้าปีพ่อบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปทั้งเชียงใหม่เลยท่เนเลยไปอยู่ทั้งเชียงใหม่ 30กว่าปีนะท่านไม่เคยกลับมาบ้านเลยเพราก่อนบวชแม่ก็บอกนะเลยลูก ơi, เอ้ยคูบาไม่ต้องห่วงแม่เนะ้อเพราะว่าลูกแม่มนี่ยปีนั่งแปดคนคูบาไปองค์เดียวไม่เป็นไรหรอกออพวกน้องๆพวกเี่เขาดูแม่ดูแลแม่ไดเ้เพราะว่าลูกก็ไปแต่ตามลําพังพี่น้องเขามีไร่มีนามีลัว้วมีสวนทํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่ อ, เ ล, พอเลี้ยงแม่ได้ ไม่ต้องห่วงครูบาจะไงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไปเลยไม่ต้องห่วงนะหลวงปู่จามก็ไปเลยโรงงานเด๋วไปไม่บีไม่เหลี้ยวหลังเลยตั้ง30มสิบกว่าปีนะเอเพอในสุดทางโยมทางเชียงใหม่เขาก็ถามว่ า, าท่านอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์มีมีแม่มีพ่อยังอยู่บ่อสิ น, นะยังโยผมว่าเอาเขาเขาจะไม่คิดถึงท่านอาจารย์เจ้าเหรอคุณแม่เนย เออไม่เป็นไรแล้วท่านไม่ให้ไม่ให้คิดถึงคุณโอเดอแม่ไม่ให้คิดถึงเพราะคนอื่นเลี้งดูความมีอยู่แล้วถ้าว่าไม่ใช่แล้วท่านอาจารย์เจา้าถึงยังไงก็ลูกตัวเองเนี่ยต้องคิดถึงอ่าท่านอาจารย์ป๊ไปเยี่ยมแม่ก็ดีนะเดี๋ยวจะตีตั๋วเครื่องให้นะโยมเชียงใหม่ก็เลยตีตั๋วเครื่องให้ท่นเนี่ยลงมากกมาลงมากรุงเทพมังคุเทศก็ได้ตีขึ้นไปนครพนม สมัยนะั้นเป็นสมัยทหารอเมริกันไปรบเวียดนามเขามีเครื่องบินไปลงที่นครพนมหลวงปู่จามวัเลยไปลงนครมันก็ตีตัวให้3มเดือนนะอายุ3มเดือนจากนั้นเขาก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมโยมแม่30ปีนะลูกหลานนะไม่ใช่ธรรมดาในหะลวงปู่จามเลยพอทีนี้ก็พอไปถึงอพอไปถึงไปถามไปถามน้องชายเป็นผู้ใหญ่จูมเนะ่ยไอ้ผู้ใหญ่จูมที่หลวงปู่หลวงตาพูดถึงบ่อยๆนะ ผู้ว่าลุงตาพูดถึงผู้ใหญ่โจมเลยแหละที่ท่านไปอยู่ห้วยทรายลุงตาไปอยู่ห้วยทรายเดชท่านบอกว่าผู้ใหญ่โจมเนี่ยไอไอนายอำเภอนายอำเภอเหมดังดังดังบี้นะลุงตาว่านะดังดังแแบบ น, นนะดังบี้ผู้ใหญ่โจมเนี่ยแต่งตัวเหมือนข้าหลวงแต่เขียนหนังสือเหมือนไก่เขีย หลวงตาเคยพูดนะพวกเราได้ฟังเทศหลวงตาหลวงตาจะพูดอย่างนี้แหละ น, นี้แหละคือผู้ใหญ่โจมเนะี่ยน้องชายของหลวงปู่จามเป็นน้องน้องของยงพ่อเนะี่ยท่านสดิทกับหลวงตาเลยแต่เนี้ท่านเขาม า, มาบามังกระทำน้องชายนะไอ้ผู้ใหญ่โจมพ่อยิ้มอยู่ไหนพค้งน้องชายเป็นอ้าอาจารย์มาตัวเนี้เหมอออือนกะันอ่าพอน่ยพูดแล้วก็ดีใจอนะไร่านเอง ก็ลงไปหาคุณแม่คุณแม่บวชมาที่สามสิบกว่าปีเลยเด้แม่ของหลวงปู่จามนะเป็นแม่ชีเนะียบวชได้สามสิบสองปีละพอลงไปท่านี่เออพ่อไปเห็นเออพอได้ยินว่าอาจารย์จาม่าแม่เหมืนเออเฮ้อไผ่ก็อาจารย์จา ม, มา่าพ่อได้ยินว่าว่าอาจารย์จา ม, มาเท่านั้นแหละผู้แม่เป็นแม่ชีเนะี่ยร้องไห้อ้ดีใจคนดีใจก็ร้องไห้นะใช่ไหม ร้องไห้วกหลองปู่จามาวัวเฮ้ยจะไปร้องไห้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไม่ขึ้นกุฏนะิเท่านงน่ะเออจะขู่แม่อีกต่างหากว่างั้นเนี่ยเออถ้าว่าจะร้องร้องไห้อังได้จะไม่ขึ้นกุฏิเอท่านจะกลับไปกลับไปแล้วงั้นผู้แม่เนี่ยกลัวลูกชายจะกลับหายเงียบปึ๊บเหมือนกับเหมือนกับเด็กเหมือนกับเหมือนกับเด็กร้องไห้แล้วจะยินผู้ใหญ่ไม่ให้ขนมอย่างงั้นแล้วงั้นเถอะ Hey, yep. หายเก็บเลยคุณแม่จากนั้นก็หลวงปู่จามก็ขึ้นไปเอก็ไปก็ไปไปเห็นแม่อายุจึงจะเข้า70กว่าแล้วท่นนี่นี่แหละนี่แหละหลวงปู่จา ม, ท, า ท, ามท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่แต่เนี่ท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ท่านก็ไปเทศอบรมพี่น้องประชาชนสัธตายาดจมในจังหวัดเชียงใหม่แต่เนี่นท่านก็มาที่ลําปางพ่อเลี้ยงหลวงพ่อของหลวงเนี่ยะ ลุงพ่อไพบูลพะยานี่นะก็คุณไพบูลพะเยานี่เป็นลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงเป็นลูกของพ่อเลี้ยงลูกศิษย์หลวงปู่จามวะเนี่ยหลวงปู่จามไปเทศให้พ่อท่านฟังจากนั้นพ่อท่านก็โอ้เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่จามไปที่ไหนติดสอยห้อยตามนับถือเลื่อมใสพ่อต่อมาพ่อของท่านพ่อหลวงพ่อไพบูลก็เลยตายทุวงพ่อไพบูลนั่นก็ท่านก็บวช พ่อบวชแล้วไม่ศึกเลยนี่ยหลวงพ่อไพบุญพะเยาน่ะจนได้เป็นเจ้าคุณเทพไปทั้งทุกวันนี้แหละอพอจากนั้นท่านก็พอหลวงปู่จามมรณภาพเนี่ยท่านก็บอกว่าพ่อของท่านเนี่ยเคารพหลวงปู่จามอ่นี่แหละสาเหตุที่มีนกคดิลิงนะพ่อของท่านเนี่ยเคารพหลวงปู่จามแล้วก็ท่านก็ท่านเจ้าคุเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากพ่อพ่อเป็นผู้แนะนํา สั่งสอนเรื่องศีลธรรมจนได้บวชบวชแล้วไม่ศึกกระทั่งทุกวนันนี้เจ้าคุณไพ่บูรณจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าคณะภาคทางภาคเหนือนะ่ะท่านก็บอกพอหลวงปู่จา ม, มรณะะภาพเสร็จแล้วท่านก็กเออหน้าเจ้าอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เอกลักษณ์ของภาคเหนือไปแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาในงานศพของหลวงปู่จามออก็เลยไปพูดกับเจ้าอาวอาจพระทูตเจ้าว่าก็เลยบอกว่ารับ สุดแท้แต่ท่านเจ้าพลจากนั้นท่านก็เลยเอาให้ช่างไปทำทำเป็นนกหัดเสดีลิงเข้าไปไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ยไปใครก็ว่านกหัดเสดีลิงเนี่ถ้าหากว่าอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยถ้ า, าว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่โด่งดังเขาจะทํานกหัดเสดีลิงเป็นเครื่องเชิดชูบูชา หรือว่าพวกใหที่เป็นพ่อเลี้ยงใหญ่ที่มีฐานะดีเป็นคนรวยในท้องถิน่นเป็นคนรวยในแถบนั้นอนะ่ะเวลาจะประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงเนี่ยเขาจะนกทํานกขัจเศรษีลิงนี่แหละ เ, เป็นสนัญลักษณ์เป็นเครื่องบง่งบอกว่าเป็นโคบมีฐานะดีเป็นคนร่ํารวย เ, เป็นคนกว้างขวางาในพื้นที่ น, ะนี่แหละเขาก็เลยเทํานกขัดเศรษฐีลิงมาถวายหลวงปู่จามนะ พอก็ทําอู้ก็ดีๆเห็นหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นเป็นเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะนกขจดีลิงลืมตาได้ตามตาบ้าใหญ่เอแล้วก็มีงวงอีกต่างหากมีงไงต่างหากหัวช้างใช่ไหมหัวก็หูช้างใช่ไหมเวลานี่ยมันเข้าไปมันลืมตามันมองซ้ายมองขวาได้อีกว่างั้นเถอะงวงเหมือนกันเนียคว้านู้นขว้านี่ได้อีกว่างั้นเถอะแต่ที่ไหนได้เข้าไปอยู่ข้างใน มีคนเข้าไปอยู่เกือบสิบคนนั่นแหะไปชักใหญ่อยู่ไปชักใหญ่อยู่ในท้องนกขัดจะดีลิงว่างันเอออยากจะให้มันลืมตาชักตัวไหนว่ากั้นเถอะอยากจะให้มันง่วงมันไหวแล้วก็ชักตัวไหนว่ากั้นเถอะคนเขาอยู่ข้างในวันนั้นแหะแต่ทีนี้บางคนก็ถามว่านกขัดจะดีลิงนี่มันมีจริงหรือเปล่าเฮ้นกขัดจะดีลิงเนี่ยในพระไตรปิฎกนะมี นกขัดจีรีลิงในพระไตรปิฎกมีคือสมัยหนึ่งพระเจ้าเมืองอุดเชนีอุดเชนีอยู่ในในแคว้นของอินเดียนี่แหละ เ, เมืองอุดเชนี เ, เรียกว่าพระเจ้าอุเทนนี่แหละหน้าหนาวจากนี้แหละมีปราสาทอยู่ในเมืองอุดเชนีนะี่ปราสาทเกตชั้นอยู่ในมหาราชวังแต่นี้วันหนึ่งมันหนาวพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอุเทนกับอัคคะมัเหศีขึ้นไปไปตากแดดอยู่ข้างบนปราศาส์เก็บชั้นอยู่ชั้นสูงสุดน่ยแต่นี่พระเจ้านางอัคคะมัเหศีเนี่ยผมผ้ากำพลสีแดงผมตุ้มผ้ากำพลสีแดงเพราะมันหนาวใช่แล้วก็นั่งคุยกันอยู่ในในข้างนอกในปราศาส์แต่นนกหัดจดีเหลืองมันบินมาจากท้องฟ้า พอเห็นเข้าไปมันว่าชิ้นเนื้อใช่ไหมเพราะผมผากำพลสีแดงเนะี่ยนกฮัจดีเรียงกับหกปีลงมาโฉบลงมามามาจะมาเอ็มาเอาชิ้นเนื้อนั่นนะแต่นี้พระเจ้าอุเทนที่นั่งคุยกระโดดขเเยงหนีทั้งที่จะช่วยช่วยเมียถึยงงั้นเถอะในทั้งที่จะช่วยอาก้ามเหสีช่วยแม่บ้านเนะี่ยกระโดดแยงเข้าไปหาที่หลบถึงงั้นเถินกฮัจดีเรียงนะ่ยขยุ่มขยุ่มได ชิ้นเนื้อนะที่เป็นที่ผ้ากำพลหุ้มตัวเองนะสีแดงนะพอเขายุ่มอยู่ในอุ้ง ม, มือมพอนางพอจุมแล้วมันบินเลยนะบินเข้าไปมันไปป่าป่าหิมอพานนะพอมันบินไปนางคนนี้ก็อคคีเมศีมีสติหถ้าหากว่าเราจะร้องโวยวายมันอาจจะวางเราอาจจะตกลงมาจากอากาศถึงตายได้เอาเถอะเราจะต้องอดกั้น พอเนนาก็เลยอดกัน้นไม่ร้องพอนกตัวนี้ก็บิดบินบินไปถึงป่าไปเห็นต้นงิ้วใหญ่ที่มันเคยกินอาหารน่ยที่มันเคยก่อนะมันไปที่นี่มันก็เลยวางวางชีดเนื้อนะ่ะคนก็เลยไปอยู่ในง่าโคบไม้พอทางปลอดภัยนาก็เลยตะโกนเออร้องอย่างเสียงเออเสียงมนุษย์ขึ้นมาน้องฮัดนกฮัทดีเรียงมันก็กลัวมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมพอได้ยินเสียงนกเปิดบินออกเมือปกัน แต่นี่นางอัคคมเหศสีเนะ่ท้องใหญ่แลยแปดเก้าเดือนเลยทนี้พอนกพัชดีเลิงไปแล้วพ่อตกตอนเย็นเนะ่นางนก็คลอดลูกบาด เ, เ อ, อพอลอกลูกก็ฝนโตเ อ, ต, อ, เอต่างหากพอในสุดนางก็เลยอยู่ในอยู่ในต้นต้นไม้ใหญ่ต้นงิ้วใหญ่เลยนะทั้งคืนเลยพอจวนสว่างอันนี้มาในพระไตพปิดกในหลวงพ่อพูดฟัง หรือเอาพระไตรพิตกมาพูดให้ฟังเนาะนบขันธ์จะดีจริงเป็นมาอย่างไงนะแต่นี้นก็นางนั้นก็อยู่ในอยู่อยู่ในนั้นนะแต่ใ น, นวันนั้นนะ่ะมันหนาวลนะือศีอยู่ในป่านนะ่ยตามปกติลือีอยู่ในป่านนีะ่ท่านก็ไปหาผลละมากลากไม้เง่าบัวบ้างเผือกมันบ้งบางใบหมากเม่าบ้างมากินแต่วันนั้นลือศีนี่ก็ไม่รู้จะไปหากินอะไรมันหนาวเหมนกันเ เออตามปกติเนี่ยนกขัดจะดีลิงเนี่ยมาเกาะ อ, อยู่ต้นไม้ตัวนี้เนี่ยบางปีกักระดูกหมูบงังกระดู ก, กวากกระดูกแก้งกระดูกอะไรที่มันหล่นออมาจากต้นไม้นั่ น, นลือสีนี่ก็ไปก็ไปเห็นกระดูกของมันสัตว์แล้วก็มา ก, กระทบกระดูกแตกแลก้วก็เอามาต้มกินน้ําของมันอันนี้คืออาหารลือสีเหมือนกนเถอะกินกับผลละหมากรากไม้แต่ในลือสี วันนั้นก็เลยเดินไปไปไปเพื่อจะได้อาหารพวกกระดูกสัตว์ที่นกหัดจิดีลิงกินน่นะพอไปถึงใต้ใต้โคนต้นไม้กำลังหาเก็บอยู่ได้ยินเสียงเด็กมันร้องให้อยู่ในบนยอดไม้น่ะเสกเสียงอ้มมันเสียงโคนเนียดูสีเนี่ยเราบอกอ้าวข้าอยู่ข้างบนนางอัคคมเหสีบวาข้าข้าอยู่ข้างบนอ้าวลงมาได้ไหม เดี๋ยวจะขึ้นไปรับจะขึ้นไปเอาทางนางอาคามมยเหสีบอกว่าฉันเป็นกษัตริย์นะฉันเป็นกษัตริย์เธอเป็นใครอย่าขึ้นมาแตะต้องฉันไม่ได้นะคือคนทางทางอินเดียเขาถือวันณะสีใช่ไหมล่ะกษัตริย์ผ่าแพย์สูตรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังถือกันอยู่นะคนอินเดียเนี่ย เ, เขาถือถือถือวันณะสีกษัตริย์ พราหม์แพทย์สูตรอันนี้นางเป็นกษัตริย์เลฉันเป็นกษัตริย์ท่านเป็นไข่ขึ้นมาไม่ได้ไม่แห้แต่ต้องฉันเด็ดเด็ดขาดเขาว่ายอมตายแล้วงานเถิดคือจะไม่ให้พวกสูตรและพวกแพทย์เข้ามาหรือพราหมนะ์มาแต่ต้องออร่างกายตัวเองได้เพราะตัวเองเป็นเชื้อกษัตริย์ทางฤาษีนี่ก็บอกว่าข้าเป็นกษัตริย์เหมือนกันอยู่คลองเมืองนั้นนางนี่ก็บอกว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์จริง ท่านแสดงมายาของกษัตริย์ให้ดูซิคงจะมีมายาอันหนึ่งมากมายากษัตริย์เพราะงัน้นเอถอะทีนี้ลือสีนั่นก็เลยแสดงมายากษัตริย์ให้ดูพอแดงกษนางก็ เ, เออเข้าใจอืมใช่เป็นกษัตริย์จริงถ้าเลขคนชั้นเชิงนี้กษัตริย์เท่านั้นจึงจะรู้ได้ อ, อจากนั้นนางก็ เ, เอาขึ้นมาได้ก็เลยขึ้นมาเขาก็เลยเอาลูกชายลงไปนางคนนี้ก็พยายามลงไปไปสู่ข้างล่าง จากนั้นก็ได้ไปลือีคนเลี้ยงในฐานะลูกหลานต่อมาก็นี่แหละพญาอุเทนเนี่ก็เมื่อต่อมาท่านลือศีคนนี้น่ะท่านเป็นผู้รู้ดวงดาวดวงดาวในท้องฟ้าท่านก็มองขึ้นไปเห็นท้องฟ้าเออพญาอุเทนพ่อของเด็กหนุ่มเนี่ยชื่ออุเทนมั้งกันนะตายแล้วงั้นก็เลยมาพูดให้ อากเมเหสีฟังว่าพระยาอุเทนในีตายแล้วนะทำไมท่านอิจฉาเขาเลอไม่ใช่เราดูในท้องฟ้ า, าดวงดาวมันบอกอความวิบัติของแต่ละคนมันอยู่ในท้องฟ้าดาวในหัวเมืองต่างๆาาถ้าอย่างนั้นก็ควรจะเอาลูกชายเนี่ยไปของราชสมบัติาทางแม่ก็เลยมาสั่งลูกชายว่าโลกแม่มาจากาชั้นปราสาทเจ็ชั้นน่ะ แม่นี่มีผ้ากำพลผืนหนึ่งและก็มีธรรมรงคือแหวนน่แหวนนี่วงหนึ่งเพราะว่าในขณะที่นั่งอยู่กับพระบิดาของเจ้านะ่ะแม่ได้ถอดถอดแหวนจากมือของอพระบิดาคือพ่อของเจ้ามาสวมมาสวมใส่เออมาสวมใส่นิ้วของของแม่ใครเข้า่าถอดแล้วก็สวมดูมันเป็นยังไงลักษนะ น, นพอดีในช่วงนั้นนกัจจดีลิงมาเอาพอดี เพราะนั้นเวลาลูกไปถึงเมืองอุดเชนีแล้วน่ะให้แสดงของสองอย่างนนะให้กับพวกผู้ใหญ่พวกคณะองค์ขมลตีทั้งหลายให้เขาเรารู้ว่านี่คือฉันผมเนี่ยเป็นลูกของอคาเมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่นกหัตถีลิงโชบไปในคราวนั้นผมเน่เป็นลูกของท่านนี่เครื่องหมายก็คือผ้ากำพลผืนนี้ และก็รทำมาลงวงนี้แสดงให้เขาเขารู้เขาจะรู้ได้โอ้ใช่ลูกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปแม่สั่งจากนั้นทางพระเจ้าอุเทนก็ไปตามที่พระฤาษีสั่งไปถึงเมืองก็เลยแสดงตนให้ปรากฏก็ได้เป็นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละคือความเป็นมาของนกนกหัจจดีลิงมีว่า้นเถอะตัวใหญ่พอสมควรขนาด ขยุ้มเอาคนไปทั้งคนได้ในพระไตรปิฎกนะแต่รูปร่างลักษณะทั้งหมดไม่ได้บรร ย, ยายว่าเป็นรูปลักษณะอย่างไรแต่หลวงพ่อก็มาเห็นจุดที่เมนหลวงปู่จามในงา น, นเถอะหวัวเป็นช้างแล้วก็มีงวงแล้วก็มีงาอีกต่างหากในงา น, นเถอะแต่ตัวปัดเป็นนกป่ะนี่ตีนก็เป็นนกเอาล้วนะที่นี่นะอพรปีใหม่นะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่ว่าถึงยังไง ให้พวกเรามีความตั้งใจมั่นมีความมั่นคงใน จ, ใจิตใจเพราะทุกวันนี้อย่างที่พวกเราเห็นนี่นะไม่รู้เรื่องอะไรจบไม่อะไรแต่ถื อ, อยังไงให้พวกเราทุกคน อ, อ, อยู่ในสติอยู่ในปัญญาอยู่ในความรอบครอบให้เป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติสาสนาพระมหากษัตริย์นะให้เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อชาตินะ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 ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีไม้แตกแตกแยกกันทะเลาะกันอย่างเนี้ยนะอย่างทุกวันนี้อย่างที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยพระก็มีนะศรัทธาญาติโยมโลกลานถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันว่าพระแตกกันยังไงฮะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะสมัยนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่กุงโกสัมพีกุ้โกสัมพีเมืองเป็นเมืองหนึ่งของในอินเดียนะ่ะ ที่นี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์พันกว่ารูปอยู่ด้วยกันแต่พระภิกษุสงฆ์พันกว่ารูปนี่เป็นสองฝ่ายคล้ายๆว่าพวกที่สนใจเรียนกฎหมายก็คือเรียนกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทย์ในแล้วว่าวินัยคือกฎหมายคือกฎระเบียบการปกครองสงฆ์แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ ว, ว่าวิทย์ในทำมักระกธรรมักระถ์รระถนี่ก็คือพวกแนะนําสั่งสอนเรื่อง สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้การคองชีพอย่างนี้การดำรงชีพของพระสงฆ์อย่างนี้สรุปแล้วก็คื อ, อไปสองทางคือการปกครองและก็ทางด้านจิตใจในกลุ่มพระสงฆ์ในกลุ่มโกสัมพีนั้นะต่อมาที่นีพระสงฆ์สององค์สองขนาจานใหญ่เนี่ยจะเป็นลกคิิธิ์พระพุทธเจ้าเหมือนกันน ะ, ะแต่วันหนึ่งพร ะ, ะที่ เป็นทำรรมกถึกเนี่ยเข้าไปในห้องน้ํานี่เข้าไปในส้วมเนี่ยเป็นห้องน้ําไปก็เลยไปตักน้ําชําระตัวเองเมื่อทํำถ่ายเสร็จแล้วนะกัล้างตัวเองแล้วก็ขังน้นําไว้ในกระบอกในในกระบอกตอนี่พระวินัยธรเนี่ยเข้าไปเนี่ยพระรักษาวินัยเนี่ยเข้าไปไปเห็นน้ําในกระบอกนะั่นแหละเอ๊ะพ ร, ร, ระทำมกถึกเนี่ยทำไม่ถูกแล้วนี่พราะพระเจ้าบัญญัติว่า ภิกษุใดก็ตามเข้ามาใช้ห้องน้ําเมื่อตักน้ําแล้วเอามาชําระตัวเองแล้วต้องคว่ําขันไว้ถ้าหากว่าขังน้ําในกระบอกปรับอวบัติทุกกฎอ่าผิดสินข้อหนึ่งแค่ว่าองค์ที่เข้าไปที่สองเอ๊ะน้ําเนี่ยสกรปรกหรือเปล่าวะทําไมขังน้ําไว้เนี่ยเออมีอะไรตกเออขององค์นั้นตกสินอยู่ในนี้หรือเปล่าเป็นที่ลังเกียรตขององค์ที่เขาไปข้างหลัง เห็นไหมพระวินัยของพุทธิย่าวละเอียดถึงขนาดนั้นนะเวลาตัวใช้เสร็จแล้วก็ต้องคว่าขันเทนี้ก็พระธรรมมักถึกเนี่ยพอใช้เสียแล้วท่านก็ไม่ได้คว่มขัญเพราะท่านยังไม่รู้วินัยเพรา ะ, ะพอพุทธเจ้าบัญญัติผู้วินัยทรนเขารู้จกกักว่าผิดกฎผิดกฎหมายละผิดกฎกติกาแล้วแต่ใ น, นพระวินัยทรก็เข้าออไปก็ไ ป, ไปเห็นน้ํำขังเอ่ออาจารย์ธรรมมักถึกเนี่ยอกงไม่รู้วินัยตัว น, นี้ละมั่งเลยออกมาออกมาเลยท่านอาจารย์ครับ แต่ท่านอาจารย์ทำไมขังน้ําในกระบอกขังน้ําไว้ในขันเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าปรับอบัติทุกโกรนะเอกษุใดก็ตามขังน้ำไว้ในขันเนี่ยปรับอบัติทุกโกรทางธรรมกระถึกเนี่ยว่าโอ้อาจารย์ครับผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่ า, อาโอ้ใช่พระธรรมพระวินัยทอนว่าใช่อันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วครับอาจารย์ต่อไปท่านอาจารย์อย่าทํานะครับ ถ้าท่านอาจารย์ไม่รู้ไม่เป็นอวบเพราะไม่รู้ในเมื่อไม่รู้ไม่เป็นอวบตแต่เมื่อรู้แล้วอย่างนี้ถ้าคืนทําต่อไปเป็นอวบครับเออใช่ผมจะไม่ทําอีกนะอันนี้ก็ยอมรับกันนะฮะสองสององค์นะพูดกันแล้วกัคณาจารย์แต่คุณอาจารย์พูดกันแต่ตอนนี้องค์วินัยทอร์เนย์มาพูดให้ลูกน้องตัวเองฟังทึงนี่อยากจะได้หน้าลักษณะอย่างนั้นแหละก็บอกโอ้หลวงพ่อทำมากกระเถิกเนี่ย เข้าไปห้องน้ำตัวเองเป็นอาบัตก็ไม่รู้ว่าตัเองเป็นอาบัตเราได้ไปบอกกันะจึงรู้ว่าเป็นอาบัตนั่นแหละไม่มีศึกษาไปแต่ศึกษาทำรรไม่ศึกษาวินัยเลย เ, เป็นอาบัตก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตทะ้งนี้ลูกน้องวินัยธรเนี่ยก็ไปพูดให้ลูกน้องทรมกักระถือกฟังทีนี้ไอ้ทีเรากดจะทะเลาะกันนะบอกว่านี่อาจารย์ของท่านนะผิดวินัยนะ ไปขังน้ำไว้ในกระบอกเป็นอาบัตทุกกฎทางอาจารย์ธรรมกระถือบอกว่าอ้าวเป็นยังไงเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าบอกกับอาจารย์พินัยทรแล้วปะผมไม่รู้ในเมื่อไม่รู้กับทานก็บอกว่ามันเป็นอาบัตผมก็ไม่เป็นอาบัตทำไมจึงว่าวินันทรเนี่ยทำไมพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้วะแสดงว่าพระวิทยนเนีย่ยพูดสับปรับพูดโกหกเป็นอบัตปาจิตติ เออพ่อพูดไปอยู่กระล่องกะระลอยเอคืออาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำมกระถึกนี่ใสาอาจารย์วินัยถอนออกเป็นอาบาาัติปาจิติข้อหาหนักกว่าเอางั้นเถอะเออขอหาหนักกว่าที่นี้ก็สองคณาจารย์ก็พอเนี่ยก็ตั้งป้อมสู้กันลเลยทีนี่ต่างวิทยางลูกศิษย์เป็นคนละห้าร้อยใช่ไหมเอพอพระพุทธเจ้าเป็นประธานส่งที่โกสัมพีเถอะโยชพวกท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันของเพืองเล็กน้อยเท่านั้น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 พระพุทธเจ้าห้ามทีหนึ่งที่สองที่สามไม่ฟังพุทธเจ้าโอหนีนั่นแหะพระพุทธเจ้าหนีได้ที่นี่หนีจากสงฆ์นะพ่อนีไปเด็พวกเราไปเห็นแม่ที่พระพุทธเจ้าเป็นนั่งยอนเป้าบาดตรงนี้แหละก็มีลิงก็มีช้างนะนะั่นแหละนี่แหละปีนั้นแหละพระพุทธเจ้าหนีจากพระสงฆ์โกสัมพีเลยนะนะไปอยู่องค์เดียวในประวัตินะ่ะเออพค์ไปนั่งไปอยู่ในป่าองค์เดียวป่าเลไลนะมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระนนท์ก็ไม่เอาไปด้วยนะ พอเอาพระอานุนไปด้วยเดี๋ยวพระอานุนก็จะเป็นเป็นผู้นําพระสงฆ์กลุ่มนี้อีกพวกองคมองมองอนาคตแล้วแต่นี่ยพระพุทองค์หนีไปแต่เนี่ยพอหนีไปท่านั่นบอกพวกชาวบ้านเขาบอกว่าพระโมนี้หัวดื้อพระพันก็องค์นี่ขนาดพ่อห้ามไม่ฟังพระพุทธเจ้าห้ามไม่ฟังเออจนถึงกับพระพุทธเจ้าหนีออกจากวัดพวกเราจะใส่บาตรให้ฉันพระโมนี้มาเนี่ย จากนั้นชาวบ้านเขาเลยไม่ใส่บาตให้ฉันบาทรเลยพระไปเป็นาบาตไม่ได้ฉันอาหารท่นี่ยโอยสองสามวันเท่านั้นแหละจับซิกแหนกันเลยทน่านนี อ, อ, อพวกเราจะไม่ทะเลาะกันพวกเราจะถูกกันละท่นี่เออาะท่าพระท็เลยสองฝ่ายก็เลยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันไม่หาว่าองค์ไหนผิดองค์ไหนถูกว่ากันเถอะถูกกันก็ไปประ ก, กาศให้ เออศรัทธาญาติโยมเออพวกอาตมาถูกกันแล้วพวกญาติโยมจะทําบุญกระทำเดี๋ยวออกพรรษาแล้วพวกอาตมาจะไปกราบพระพุทธเจ้าไปขออภัยโทษจากพระพุทธเจ้าอาตมายอมกันแล้วศรัทธาญาติโยมเออศรัทธาญาติโยมเขาจึงได้ใส่บาตให้ฉันเหมือนกันเละนี่แหละหลวงพ่อว่าเนี่ยเมืองไทยของเราก็เหมือนกันน่ยถ้ามันทะเลาะกันอย่างนี้แหละหลวงพ่อคว่ำบาต ท, ทั้งสองข้างเลยรอย่างนั้นแต่ถ้าบอกกันได้แต่นี้มันบอกไม่ได้มันหลายคนใช่ไหมละ่ะ เออไอเนี้มันมันถอยไม่ได้สิน้ำพวกหนึ่งถือหางแดงพวหนึ่งถือหางเหลืองเนี่ยมันมันก็เลยกัดกันที่เห็นไหมเออมันก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยแต่ถ้าหว่าต่างคนพวกเราเอา่อความบาสจะไม่ถือหางให้ใครถ้าใครก็ตามคิดไม่ดีเนี่ยคิดชั่วคิดไม่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพาดมหากษัตริย์แล้วไม่ถือหางทั้งนั้นนะถ้าพวกเราคิดได้อย่างนั้นนะก็เหมือนกับ ชาวบ้านไม่ใส่บาตรให้พระสงฆ์ฉันนี่ออันนี้คกรมการพวกเราไม่ถือหางนักการเมืองมันมาเราก็ไม่ใส่เราก็ไม่ป้อนบัตรให้ใช่ไหมเอาเลยสิมันจะไปได้แล้วใช่ไหมเพราะมันไม่ดีใช่ไหมอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสิพวกเรามันถือหางข้างใดถือหางข้างเดึ่งมันก็เลยอมัวเมียกันอยู่อย่างทุกวันนี้แหละนี่แหละพระในครั้งพู้ดการก็ผิดทะเลาะกันนะอ ชาตายาโยมขนาดพูดที่จะลากกิเลสแทๆ้ๆยังทะเลาะกันได้เพียงแค่นั้นเนเรื่องทิฏฐิมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะทิฏฐิมานานถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจา้าท่นหในข่าวนั้นละ่ะพระพุทธเจ้าหนีหนีออกจากเมืองโกสัมพีแล้วท่านีท่านก็เดินทางไปไปในระหว่างทางน่จะมีพระอนุรุทธะกิมพริวัคคุพัทธิยะ ที่เป็นเสื้อพวงของพระพุทธเจ้าที่มาจากกรุงกบิลพัทเนีพระอนุรุทธะเนี่ยก็คือเป็นลูกผู่น้องของพระพุทธเจ้าคื อ, อพ่อของพระอนนท์ก็เป็นน้องของน้องพ่อของพระพุทธเจ้าพระบิดาของพระพุทธเจ้าน ะ, ะพระอนุรุทธะเนี่ก็เป็นน้องเอกเพราะท่านมีพี่น้องอยู่3ามสี่คนเดจจากนั้นท่านก็เลยเดินออกไปเดินไปพักที่ป่าเลไล่ท่านก็ไปพบพระ สามสี่องค์ที่เป็นเชื้อพระวงกรุงกระบิลพัพทรไงพระองค์ก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมพระสามสี่องค์มีพระอนุรรถพระกิมพริวัคคุพัฒยะเป็นเชื้อพระวงศ์องค์ก็เข้าไปแวะเออไปไงพวกท่านสุขกเกษมสําราญอยู่เหรอพระเจ้าค่าเพราะว่าท่านเป็นพระทหารทั้งหมดทั้งสี่องค์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกเกษมสําราญมีความสุข ทุกอย่างครับผมมีความพร้อมเพียงสมัคคีดีทุกอย่างครับผมพุทธองค์บอกว่าโอ้พวกท่านทาั้งหลายนี่เราหนีออกมาจากโกสัมพีนีพ่พระทะเลาะกันพระเป็นพันก็รูปเราห้ามก็ไม่ฟังทะเลาะกันนี่แหละไอ้เกลื่องการทะเลาะกันนี่นะมันเป็นหนทางแห่งความจิบหายเอามันมีแล้วในอดีตการนะ่แหละนี่แหละมันทะเลาะกันเนี่ยมันเคยมีมาแล้วจิบหายทั้งสองฝ่ายพุทธองค์พูดเพียงแค่ น, นั้นท่านก็หยุด พระ อ, อนุรุทธากินผลิวัคคุพัทธิยาอะไรสมัยไหนพระเจ้าขา่าที่พระพุทธองค์ปาลบว่ามันทะเลาะกันอ่ะมันจิบหายทั้งสองฝ่ายมันด้วยเหตุอันใดพระเจ้าขา่านเนี่ยพระพุทธองค์ขมวดเงื่อห น, น, น้อยหนึ่งพระ น, นิกธรรมพวกเธออยากจะฟังเหรออยากจะฟังพระเจ้าขา่านสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่งหากินอยู่ในชายป่าชายทุ่งมีนกเป็นฝูงใหญ่ เป็นหลายพันตัวแต่ก็มีหัวหน้าอยู่ตัวหนึ่งแต่นกเหล่านั้นก็เคารพในหัวหน้าพอหัวหน้าพาไปที่ไหนก็อ้าวป้ายบินนกหัวนั้นก็บินเหัวหน้าพาบินแล้วก็ลงไปท้องนาลงชายทุ่งลงลานหญ้าก็ลงไปพอต่อมาเท่นี่มีน้องมีนกรองหัวหน้าเท่นี่คล้ายๆกับว่ า, าหาเรื่องหัวหน้า อหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเห็นไหมลนะ่ะเอพอบินลงไปแล้วตัวกินตัวเองลงไปก่อนกินก่อนอิ่มก่อนแล้วก็ให้ไม่ให้เวลาลูกน้องเลยพอพวกเราลงไปก็น่ะอบินขึ้นมาแล้วเอาไปมากับพวกนี่ก็โมโหก็เหยียบเเหยียบหลังกันบ้างก็โมโหให้กันทะเลาะกันนกทั้งหลายก็เลยแตกแยกกันทเี้ ลองหัวหน้ากับหัวหน้าเป็นสองพวกเนี่ย เ, เพราะว่าความไม่ลงรอยกันเนะ่เพราะมันหาเรื่องมันหาเรื่องใส่กันนะเนี่ยก็เห็นโทษกันนะ่ะคนหนึ่งเห็นโทษทางหนึ่งคดีให้รนะู้เพรพะได้นกฝูงใหญ่ตัวนั้นกัเป็นแตกเป็นสองฝูงเถอนะนี่ยคือตามปกติพลานนกทางหลายแล้วยก็จะมีตาข่ายตาข่ายดันกนกะเวลานกลงไปบินนะมันจะตะข่ายมันจึงครอบอย่างนั้นนะเอะพอครอบเสร็จแล้วเนะี่ย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 กับนกฝูงนี้นะพอต่อมานกฝูงนี้ท่นี่มันแตกกันเป็นสองพวกท่นี่พอลงไปจะได้ตาขายมันกับอีอย่างเก่าเท่านั้นพอตาพอมันฟุบกันไปหัวหน้าเนก็สั่งว่าเอ้าบินพอบินมันบินกัไอ้พวกที่รองหัวหน้าพวกเราไม่ต้องบินไอ้ใครเก่งบินไปพวกเราไม่ต้องบินรองหัวหน้าสั่งไม่ให้ลูกน้องบินลูกน้องเนี่ยเชื่อเชื่อหัวหน้าตัวเองเลย ไอหัวหน้าใหญ่มันก็พาบินบินมันก็ไม่ขึ้นนะกับกาลังไม่พอใช่ไหมล่ะบินไม่พอท่านนี้พอเ น, นก็เหนื่อยเลยพอเหนื่อยพวกลองหัวหน้าเอ้ยพวกก่อนไม่ได้เรื่องเอาพวกเราบินไอพวกที่สองนี่ก็ลองหัวหน้าเนี่ยมันก็บินไม่ขึ้นอีกเพราะกําลังไม่พอใช่ไหมเออมันบินไม่ขึ้นพอบินไม่ขึ้นกับพอดีกับพรานนกมาพอดีพอดีท่นี่มาเขาก็รวบเออตีนตาขายเขามาหากันแล้วกัน แส่ไว้เขาหดหวดหวด ห, ด, หดเลยนกเหล่านั้นก็เลยเตายหมดที่นี่พอในสุดนายพานก็เลยถอนขนเอาลงกระทะทอด เ, ออเป็นอาหารอริดอร่อยของนายพานทั้งฝูงเลยเนี่แหละพระองค์บอกว่าการแตกแยกสามัคคีกันเป็นหนทางแห่งความเจ็บหายอย่างนกกระจาบฝูงนั้นลหละไม่มีใครเก่งกว่ากัน เพราะนั้นอย่าอย่ายินดีในการทะเลาะวิวาทกันให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันจะดีกว่านะีอันนี้แหละพระพุทธองค์ท่านบอกท่านตรัสไว้นะแต่จากนั้นท่านก็พูดไปอีกและ ก, ก, การพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันนะมันไม่เป็นผลดีเป็นหุนคางแห่งความจิบหายอีกเหมือนกันนะพูดในในเดียวกันนะในวันเดียวกันในช่วงเดียวกันในพระสงฆ์สี่องค์ในนั้นแหละพระอนุรุทธากรถามว่า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 พอกำลังจะนอนหลับกิ่งไม้สกอสกิ่งแห้งมันมันก็เลยหล่นลงมาหักลงมาเหมาโขกหัวหมีพอดีเออหมีก็เลยโอ้กําลังจะนอนหลับเออเค็มๆกิ่งไม้สอโดนหัวเจ็บอย่างมากเลยหมีจะได้ก็เลยลุกหัวเมียขึ้นมาโ อ, อ, อ้เออเอาเถอะข่ามีโอกาสเมื่อไหร่ข่าจะโค่นไม้สกอสต้นนี้เด็ดขาดท่ หมีก็เลยเดินออกมาตุวมเตี้ยมด้วยความโมโหนะ เ, เดินออกมาจากโคนไม้ตะเคาะไม้ตะเคาะพอเดินเสร็จแล้วออกมาก็มานอนที่อื่นพอนอนที่อื่นอพอนั่นละตอนสายสายมาทีนีมีพวกช่งางพวกช่างเข้าไปในในหมู่บ้านในเมืองนะ่ะเขาจะไปหาแอกเรื่องงอนรถ เ, เขาจะไปหางอนรถไปหาแอกรถนะ่ะ เ, เพราะว่ามันของเขาหัก เขาก็เข้าไปในป่าเพื่อจะไปหาแอกแอกงอนรนะเขาก็เดินไปด้วยเครื่องทรัทพย์ธรรมพละมีเลื่อยมีขวานมีมีดมีเอของของเขานะ่ะทอนี้ก็เดินเข้าไปในป่าหมีก็เห็นเห็นหมีเห็นได้หมีก็เลยเดินเข้าไปถามว่าพวกท่านเข้ามาอะไรหมีก็ถามเขาบอกม า, ม, ามาหาอยากจะได้ไม้งอนรถแอกรถหมีก็บอกว่า ไม้อยู่ในป่าเนี่ยเราเที่ยวมาในป่าดงพงไพ่เนี่ยไม่มีไม้อันไหนที่จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าไม้สะคอนะฮะ เ, เพราะนั้นน่พวกท่านอยากจะได้ไม้ที่แข็งแกร่งไม้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวข้าจะพาไปดูหมีก็เลยพาไปกับไปชี้ให้นี่แหละต้นนี้แหละเออเอาเป็นแอกรถหอนรถดีที่สดุดเออพวกนี้นกับโอ้ใช่หมีพูดได้อีกต่างหากมันก็คงจะรู้ว่าไม้ ดีไม้แข็งไงแต่เนี้นก็พวกนี้นก็เลยวางทับสัมภาระพวกเรื่อยพวกขวานพวกขวานพวกอาหารการกินหลงเจ็ดแล้วก็เตรียมตัวโค่นนะทีและลุขะเทวดาทีนี้อยู่ในโคนอยู่ในต้นไม้สกอต้นนั้นอ่ะคือเทวดาเนี่ยภูมิเทวดาเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยแบบภูมิลุขะเทวดาลุขะคืออยู่ต้นต้นไม้ภูมิเทวดาคืออยู่ในพื้นดินนะ แต่ในเท ว, วดาก็อยู่ในอยู่ในตน้นต้นไม้เท ว, วดาก็โกรธขึ้นมาเืเ อ, อธรรมดากิ่งไม้ทาไมหล่นลงดงดินมันจะลงไปที่ไหนทำไมหมีจึงผูกอาคาดบ้านของข้าไปจา้าให้ช่างมามาโค่นบ้านของข้าไปจา้าเอาเถอะถ้าข้ามีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะต้องฆ่าหมีตัวนี้ให้ได้ เ, ออ <laughs> เท ว, วดาอยู่ต้นไม้สคขอน ก็รีบขนของออกนีหนีออกมาจากบ้านของตัวเองจากนั้นพวกช่างไม้เนี่ยก็โค่นบ้านของเทวดาลงพอลงแล้วเขาก็มาถากมาตัดให้ได้ได้ประมาณน่ะก็ถากเสร็จเรียบร้อยแหละเขาก็เตรียมตัวจะกลับบ้านนะท่เนีเทวดาจําแรงตัวให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาท่นเี่เดินเข้ามามาหามาหาช่างโอ้ช่างทําอะไร โอ้กำลังทําแอกรถงอนรถเ อ, อ่อกำลังจะเสร็จแล้วจะกลับแล้วพวกสุเจ้าทั้งหลายอยากจะให้รถงามไหมรถสวยไหมเออเอาเครื่องประดับให้มันวสวยๆเลยดีไหมโอก็ดีโยนแล้วถ้าได้เอาอะไรล่ะเอาอะไรประดับประท่านอา้าวจะไปยากอะไรนี่มีนะ่ยเอาหนังมีหุ้มดามึมเลยสวยงามเด้ จะหาหนังหมีที่ไหนอาจารยเน่เองช่างว่ะอ๋อจะไปยากอะไรเนี่ยหมีมันกาลังนอนหลับอยู่เนี่ย่องย่องไปเอาขวานสับหัวมันเลยพวกนั้นเสรแล้วก็ลอกหนังมันเสร็จแล้วก็เอาหนังมันไปหุ้มใส่หัวรถมืเอเมื่อก็ น, นังหมีมันจะมีที่ไหนมืัอสวยงามเลยสิโอใช่ใช่ น, นี้ไ อ, อ้ช่างที่นี่ก็พอได้เองรับคําจากลุกค้เทวดาเสร็จแล้วก็ถือขวานไปก็ย่องย่องไปก็สับหัวหมีแล้วเงี้ยเด้อ พอสับหัวหมีเสร็จแล้ ว, ลวก็ถลกหนังหมีกันมัดใส่ไม้สคอนี่ก็เลยหามเข้ามาในบ้านเออเอามาเอามาเพื่อจะหุ้มหัวรถตัวเองพราะพระองค์บอกว่านี่แหละชาดกหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากว่ามีการผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่จิบหายทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแพ้ใครชนะกันเพราะนั้นปลาทั้งหลายทึ่ท่านจึงบอกว่า เออย่าจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเจนเวรจะระงับไม่ได้เพราะจะมีการจองเวรกันอยู่ถ้ามีการจองเวรกันอยู่เวร น, นั้นจะไม่ระงับเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการจองเวรซึ่งกันและกันเนี่แหละคือทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าฟังเอานะลูกหลานนะคณับนะัตยาญาติโยมนะเออหลวงพ่อเล่าในฐานให้ฟังสองนิทานใช่ไหม เรื่องน่ก็เรื่องพระทะเลาะกันใช่ไหมเอาตอนนี้ไปประพรมน้ำพุทธมบนต์ันนี้าหายเสนียดจันไลบันนี้นะ